ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบ ก, กับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาพบ ก, กับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดนี้เป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ข้าพเจ้ามาทํา ก็จะเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้สอนผู้สอนในที่นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนี้เรามีผู้ที่มาตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสที่ชื่อว่าสินทัตนามสกุลโคตมะเกิดในสาขยะตระกูลมีความสามารถในระดับ ฉันสัมมาสัมพุท ธ, ธะได้บอกความรู้ความเรียนเรื่องราวต่างๆที่โปร่งรู้โปร่งทราบไาไว้สั่งสอนกันมีผู้ฟังคําสอนที่เป็นรุ่นเป็นรุ่นสืบกันมาครับพรเจ้าก็ได้หลักฐานจากพวกผู้ฟังคําสอนรุ่นพี่ๆนี่แหละทีนี้เราในฐานะผู้ฟังคําสอนที่พอผู้ที่สอน คือผู้สอนนี่คือพระพุทธเจ้านะตัวไม่อยู่แล้วแต่คือผู้สอนนั้นเเปรียบเสมือนเป็นบิดาบระพุทธเาบอกว่าสงสาวกในธรรมะวนนี้เนี่ยเป็นเหมือนบุตรเป็นลูกที่เกิดจากโอทแต่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในเมื่อผู้สอนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อเป็นบิดาเป็นธรรมราชาเป็นสังฆบิดาด้วยที่จะให้กําเนิดพระสงค์นี่ ไม่อยู่แล้วแต่เราก็เอาสงรุ่นพี่ๆเนี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยแต่ทำให้บางทีเราก็ยกย่องครูบาอาจารย์แต่นับถือครูบาอาจารย์แต่เป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยแต่เป็นลักษณะนั้นซึ่งในการฟังคําสอนนี้เท่าฟังเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทแต่แม่บทในที่นี้ก็หมายถึงตัวต้นฉบับคําสอนเดิมเราบอกว่าเราอยู่ในธรรมะวในนี้ นำเือคําสอนของพุท ธ, ธะเราก็ต้องดูเสิว่าพุท ธ, ธะพูดอะไรตรัสอะไรในที่นี้จึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ได้นาพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านฟังฟังเรื่องราวที่นำมาให้ฟังเนี่ยคือปกติก็จะมาคู่กันแต่วันนี้แปลกสักนิดหนึ่งต่างฟังพระสูตรที่เอามาให้ฟังเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์เมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนนู้นเราพูดถึงอนังคณสูตรแล้วก็เป็นคําพูดของ ผู้ฟังคําสอนรุ่นพี่พหรือท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคละนักคุยกันอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธพจน์แต่แต่โดยเนื้อความแล้วแม่มันสอดคล้องลงรับกันอย่างดีในวันนี้ก็เหมือนกันแต่นเนื้อหาที่นำมาให้ฟังนั้นก็ไม่ใช่พุทธพจน์ล้วนๆแต่ว่าเป็นคําของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลที่ตรัสยกย่องพระพุตรเจ้าคือเรื่องราวตรงนี้ ดูผิวเผแล้วก็เป็นเรื่องที่ตัวๆไปคือหมายว่าเขาก็ยกย่องพระชากันใช่ไหมพ ร, ระชาเปอเซนที่โกศลก็เป็นหนึ่งในผู้ฟังคําสอนก็ยกย่องพรุชาแต่ดูผิวเผยน่ะจะเป็นแค่นั้นตรงนี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะมาทําการคุดคุยให้ท่านหวังทราบว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่มาในมันชฌิมานิกายชื่อเรื่องก็เรียกว่าธรรมะเจติยสูตร แต่มเจดีเยสุนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นโศกนา่าตระกันเป็นจุดจบของพระชาติเปรเ์เซนที่โกศลแต่พระชาติเประเซนที่โกศลไปพบพระบิดาครั้งนั้นครั้งสุดท้ายเองก็จบชีวิตในคืนถันจากนั้นเลยแต่ตายว่างกันเถอะสอนตะโคตรนั่นแต่เรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่เศร้านะข้าพเจ้าอ่านดูฟังดูเนี่ยพอพบเรื่องเบื้องหลังแล้ว่าเป็นยังไงตอนนั้น พระเจ้าเปรเ์เซนที่โกศลก็อายุ80ปีแล้วเป็นผู้เฒ่ามากแล้วพระพุทธเจ้าก็อายุ80ปีแล้วต่างคนก็ต่างแก่ชราภาพกันมากแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเจดีย์ยังไงตอนแรกข้าพเจ้าก็งงเพราว่าพูดถึงตรมัเจดีย์จจะสร้างเจดีย์อะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่แต่สรุปว่าในเนื้อหาประสุนนี้เนี่นไม่ได้มีพูดถึงเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆเลย แถมยังเป็นจุดจบของพระเจ้าเปเซนทิโกศลด้วยแตงทําความเข้าใจเรื่องศัพท์สนิดหนึ่งตรงฝั่งคือตอนนั้นในพระเจ้าเปอร์เซนทีโกศลก็อยู่ที่เมืองอยู่ในเขตแดนของประเทศของตัวเองในแคว้นโกศลที่ชื่อว่านครกันิคมส่วนพระเจ้าตอนนั้นอยู่ในเขตแดนของแคว้นสักกะที่ชื่อว่าเมทะลุปะแต่ซึ่งนครกันิคมที่อยู่ในแคว้นโกศลเนี่ย มันก็เป็นเขตชายแดนและเขตที่อยู่ในแคว้นสักกะนเมิทารูปะเนี่ยก็อยู่ในเขตชายแดนของแคว้นสักกะด้วยเหมือนกันแต่ที่จะพูดถึงก็เป็นหัวเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศแ ต, แต่ว่าตอนนั้นรประเจ้าเปอร์เนิโกสนก็ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทั่วชมพูทวีต ท, ทั้งหมดท่าก็ไปไหนก็ไปได้ตามชอบใจล่ละนี่คือตอนเริ่มเรื่องตอนเริ่มเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่กันคนละเมืองคนละที่ ตอนจบท่านผู้ฟังตอนจบตอนจบให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพววื่อจะได้รู้ว่าธรรมะเจดีเนี่ยหมายถึงอะไรแต่พระเจ้าได้ตรัสถึงธรรมะเจดีแต่คำ ว, ว่าเจดีในที่นี้หมายถึงที่ระลึกถึงได้ตรา ก, กับริกสูตทั้งหลายหลังจากที่พระเจ้าเป็นที่โกศลเสด็จกลับไปแล้วแล้วบอกว่าเนื้อความที่พระเจ้าเป็นที่โกศลมาพูดมาบอกมาสนทนากันเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะเจตยสุตร เป็นเรื่องราวในการที่ระลึกถึงประธรรมแต่คำว่าเจดีเนี่ยคุณไปไหว้เจดีเห็นเจดีเนี่ยมันชวนให้ระลึกถึงพระบุตรประธรรมหรือพระสงฆ์เพราะงั้นคําว่าเจดีในที่นี้ก็หมายถึงที่ระลึกถึงนั่นเองแตการที่ประชาติเปอร์เซนที่โกศลระลึกถึงประธรรมเราก็ได้พูดเล่าเรื่องอะไรต่างๆเป็นเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยการที่ระลึกถึงตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเจดี เราลึกถึงธรรมะจึงเ ป, รรเป็นธรรมะเจดีเพราฉะนั้นธรรมะเจดียศุลเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเจดีหรือว่าทําสิ่งก่อสร้างใดๆเลยแต่เป็นการที่เราตั้งจิตไว้ในการที่จะลึกถึงพระธรรมนั่นจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้อันนี้ความแยบคายข้อที่1 น, นะความแยบคายข้อที่2เราจะเห็นการเยึ่งกลายของพระราชาแล้วก็การเยึ่งกลายความเป็นอยู่ของ เพราะพระเาแต่ว่ามีความแตกต่างกันแต่ตอนนี้พระชาเปอร์เซนทีโกศลเนี่ยอยู่ที่นครกานิคมในเขตเมืองของตัวเองเขตประเทศของตัวเองแล้วก็มีการเยื่งกลายชนิดว่าพระราชาเข้าไปกันแต่พระราชาเข้าไปเนี่ยก็จะมีความกึกก้องมากแต่มีกองทหารตามไปช้างนี่ก็ไม่ใช่แค่2ตัวละ่ะก็ต้องเป็นหลายๆลายตัว จ, จะเป็นหลายร้อยตัวก็ไม่ใช่แค่ช้างละ่ะก็ต้องมี ผานม้าด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นก็ต้องมีพลรถด้วยแต่พลเดินเท้าก็ต้องมีไปนี่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ต้องมีเสนาอํามาศมหาอํามาศเตรียมการไว้แต่ก่อนจะไปก็ต้องส่งลูกน้องไว้ก่อนแต่ตั้งบรมพิธีที่ทางอะไรต่างๆไปห้หมดทั่วเนื้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นการเดินทางของพระราชาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยยิ่งถ้มีการเตรียมการซะก่อนบางทีอาจจะเป็นหลายวัน ในการเดินทางแต่ละคั้งก็ต้องอุ้งือกขึกนโครมล่ะมีตั้งการประกอบมดนตรีะอะไรต่างๆก็ต้องมีในสมัยปัจจุบันก็เข้าข่ายนะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนะประบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีวงตุริยางบรรเลงละอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระราชานะที่จะต้องมีอิสริยยศก็ธรรมดานะธรรมดาคือเป็นธรรมดาของพระราชาแตนะ่มีการยื่นกลายไปอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนึ่งก็คือว่า หลังจากที่เสด็จไปก็ไปเที่ยวชมสวนชมอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนตรงนี้ก็คือว่าต่อให้การเดินทางไปเจอกระทึกกระโกรมมีคนมากมายอะไรต่างๆก็ตามเถอะพระเจ้าเปรเ์เซนที่โกศล น, นั้นพอเข้าไปในสวนแต่เห็นต้นไม้ร่มรื่นมีความสงัดเงียบในประสะาสาทลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกแต่ความสงัดตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นที่ทําการรับของมนุษย์ได้ ก็จึงทําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะาที่สงัดในลักษณะนี้เป็นที่ที่ควรสําหรับผู้ที่ควรจะประกอบความสงัดก็จะอยู่กัน่คือขนาดตัวเองเป็นพระราชาเนี่ยนะบังไปไหนก็ต้องมีลูกน้องตามไปแต่เสด็จไปด้วยกระบวนการขบวนช้างมาอะไรอลังการมีเสียงกระตุกกระโครมไม่ได้เคยอยู่คนเดียวเลยแต่จะต้องอยู่กันหลายคนเตรียมการปรึกษา ง, งาน น, นั่นนี่ แต่ก็ยังยินดีในความสงบแต่เจอความเงียบความสงบก็จิตใจก็ดีก็ขึ้นมาแต่เป็นความว่างตรงนี้เพรา ะ, ะนั้นต่อให้คุณวุ่นวายขนาดไหนในชีวิตอ่ะแต่พอมาเจอว่างๆเยน็ยนๆสบายๆแล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นมาแต่นี่คือลักษณะของพ ร, ระเจ้าเป็นนิโคโสที่เกิดขึ้นตรงนั้นในเกตเมืองของตัวเองแต่ทําให้อดละลึกถึงบ ร, รุตรเจาแต่การอะลึกถึงบระรุตรเจาท่านผู้ฟัง สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันมันต่างกันนะคือถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าอะสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ยังไงคือคือตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่สมัยก่อนนี่พอเขาคิดถึงพระพุทธเจ้ากันเขาก็จะเดินทางไปหาได้แต่ก็เลยสอบถามกับมหาอำมาตยคนตัวเองนี่แหละเรื่องสําคัญต้อฟังมาอามายคนนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของพระเจ้าเปอร์เซนต์นิโคสันาหมายคนนี้ก็ชื่อว่า อิคากาเรยาณะอิค้ากาเรยนะ า, ารยะเนี่ยเป็นอมตะที่จัดแจงการงานให้พระพเจ้าเปรสเนติโกศลอย่างดีคือพระพเจ้าเปรสเนติโกศลเนี่ยครองราชมานี่ก็หลายหลายปีนะเป็นกษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะอายุ20เท่านั้นเองเดนะีเรียนจบความรู้อะไรมาต่างๆใหม่ ๆ, มๆเนี่ยก็เป็นเป็นราชาเลยนะพระบิดาก็สละราชสมบัติให้ตัวเองเป็นพระราชาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนกระทั่ง80ปีท้าฟังคิดดู ดัะนั้นในช่วงของการบริหารงานราชการโดยความเป็นประช า, าชาเนี่ยก็มีอํามาตย์อยู่หลายคนจริงๆในที่นี้ในพระสูตรเขาใช้คําว่าเสนาบดีนะท่านฟังเสนาบดี่คือที่ข้าการยนะเสนาบดีเสนาบดีนี้ก็หมายถึงบุคคลที่ทําราชการแทนบริหารงานบ้านเมืองอะไรต่างๆแทนนะซึ่งพ ร, ระเจ้าเปรตนิโคนสนก็มีเสนาบดีหลายคนนะตั้งแต่ครองราชใหมๆ่ๆนะเปลี่ยนมาเรื่อย เท่าี่ปรากฏในเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องมี 4-5 คนเป็นอย่างน้อยเสนาบดีที่รับใช้สนองพระบรมราชโองการของพร ะ, พระเจ้าเปรสิเนิโกศนตอนนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าธีคากาลยานะซึ่งธีคาการยานะนี้เป็นหลานของเสนาบดีก่อนๆก่อนๆ น, น, นู้นแต่พร ะ, พระเจ้าเปรสิเนกิโกสนก่อนๆก่อนๆ น, น, นู้นเนี่ยมีเสนาบดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันธุละ ที่ขาการยาณาเนี่เป็นเสนาบดีของพันธุล่นั้นนี่แหละท่านฟังการเมืองเนี่ยบางทีมันซับซ้อนสับสนนะเอาแค่ว่าเสนาบดีคนนี้เป็นหลานของเสนาบดีคนนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นเงื่อนปมกันมาแต่ไม่เป็นจุด จ, จบของพระเจ้าเปร์เสนต์ดิโคสนแล้วว่าพันธุล่เสนาบดีเนี่ยที่เป็นลุงของที่ขาการยานะนี่แหละปรากบว่าเป็นเพื่อนกันกันกบพระเจ้าเปร์เซนต์ดิโคสนตั้งแต่สมัยหนุ่มหนุ่มนู่น ปเรียนวิชาจากเมืองตากาซิลามาแมท่านฟังถ้าเล่าเรื่องนี้มันจะยาวมากไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่าเอาเรากลับมาถึงจุดที่ว่าธรรมเจตยสูตรดีกว่าว่าพระเจ้าเป็นเสนนิโกศนเนี่ยพอระลึกถึงบรรุชาว์เนะ่ยให้เสนาบดีของตัวเองเนี่ยคือทีฆะคารยนะเนี่ยจะแจงกระบวนมากกระบวนรถอะไรต่างๆเตรียมยาอะไรต่างๆให้ดีเดินจะไปพบพระรุชาวละ่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของเสนาบดีนะท่าฟัง ที่จะต้องมีความรอบคอบเตรียมการเอาไว้แต่เพราะว่าธีฆาตกรยานะเนี่ยก็เป็นคนฉลาดแต่งนั้นจึงว่ารู้ว่าพระเจ้าปุษย์นิโกโส น, นี่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าดังนั้นจะต้องทราบไว้ก่อนแล้วว่าบางทีถ้าพระราชาถามว่าพระพุทเจ้าอยู่ที่ไหนฉันต้องต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ดังนั้นก็ได้สั่งการเตรียมไว้ก่อนแล้วหล่ะว่าเอ่สอบถามไปสืบมาสรงคนไปสืบมาว่าพระพุทเจ้าอยู่ที่ไหนเอ่อก็ทราบว่าพระพุทเจ้าทอนนั้นก็อยู่ใน เกี่ยวกแคว้นสักกะที่ชื่อว่าเมธาลุปะเราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยก็เดินทางอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวไปเมืองนั้นเดี๋ยวไปเมืองนี้อันนี้เพื่อที่จะไปบอกไปสอนแต่ยากลาบากขนาดไหนเส้นทางการเดินทางทุกฟังที่เคยไปประเทศอินเดียเนี่ยคงจะทราบละ่ะ ว, ว่าเส้นทางบางจุดบางแห่งมันก็ไม่ได้สะดวกสบายแล้วสมัยก่อนนี่ก็เป็นทางเกวียนด้วยไม่ใช่เป็นทางที่ปูคอนกรีตหรือว่าราดยางมาตอยอย่างดี ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีอย่าไปพูดถึงแค่นั้นเลยแม้แต่ถนนลูกรังอ่ะที่เขาเอาดินมาบดบดแล้วโรยเอาไว้ก็ไม่มีและแย่ไปกว่านั้นมันคือทางเกวียนทางเดินเท้าธรรมดาซึ่งบางทีบัวควายมันเดินมือก่อนเละไปหมดเลยละ่ะน่ยไม่ได้มีดินมาบดมาอัดเหมือนทางลูกรังทางลูกรังที่เราว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันดีแล้วนะดีกว่าทางเกวียนส่ัยนี้ไม่แน่ใจว่ายังจะมีทางเกวียนให้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าการเดินทางไป ในะของพระชาก็ไปทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ที่มาที่ไปเนี่ยก็ต้องส่งคนไปสืบดูอันนี้ธีคะอริยนะเชนามดีก็จัดการได้แล้วก็พอทราบข้อมูลแล้วกลับไปไปพบพระราชากันอันหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังที่ว่าความเป็นอยู่ของภิกษุในธรรมวันไหนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ยินดีในความเงียบเสียงแต่ภิกษุสมัยนั้นแล้วก็อยู่กันเงียบเงียบอยู่กันง่ายๆอยู่กันสบายสบายนั่นคือเงียบง่ายแล้วมันสบายใจล่ะ เนี่ยคือระหว่างเมืองนครกนิคมกับเมืองเมืท่านลูก ป, ป่าเนี่ยห่างกันประมาณ3โยศหนึ่นโยศก็16กิโลเมตรนะสโยศก็48กิโลเมตร48กิโลเมตรต้องฟังเนี่นถ้าปัจจุบันขับรถก็ปื๊ดเดียวบางคนสี่สกิโลนี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองด้วยซ้ำเนั่ยคือมีรถไงมีถนนดีด้วยแต่สมัยก่อนนี่ถ้าเดินเท้าแต่วันๆหนึ่งได้16กิโลเมตรนี่ก็ดีละหนโยศเดินเท้า แล้วพระเจ้าเสด็จไปไหนก็เดินเท้าไปวันหนึ่งก็เสด็จได้โยดหนึ่งโยชนดครึ่งบ้างประมาณ16กิโลเมตรไม่เกิน20กิโลแต่ระยะทางระหว่างสองเมืองคือที่ที่พระเจ้าปเปเซนิโกศลอยู่ในเขตแควนน้นโสโกศลกับที่ที่พระเจ้าอยู่ในเขตแคว้นสักกะเนี่ยห่างกันประมาณ3โยชน์ก็คือ48กิโลเมตรเดินทางก็ประมาณวันหนึ่งแต่ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าเปเซนิโกสนนี่มีช้างมีมา้าอะไรต่าง สามารถที่จะเดินทางให้ถึงได้ภายใน1วันแล้วก็สั่งการแล้วทีนี้แม่จิตใจอารมณ์นั้นอยากพบพระพุทธเจ้าก็จึงสั่งการให้ทีฆาการยานาศีนาบดีจัดกองกําลังเตรียมไปจะไปพบและพอไปถึงแ้วทุ่มฝัง่งเราก็เห็นภิกษุเดินจงกรมกันอยู่แม่ดีมากกว่าจะไปถึงเจอภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ต้องขึ้นรถลงรถขบวนอะไรกองทหารอะไรต่างมันก็กองใหญ่อะ่ะเพราะนั้นขบวนทหารกองทหารอะไรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้อง จอดอยู่บริเวณที่จอดได้หนะยุดอยู่บริเวณที่หยุดได้แล้วก็เข้าไปในวิหารแต่พอเข้าไปในวิหารก็เห็นพระภิกษุในเดินจงกรมกันอยู่แล้วก็ถามว่าพระุทาอยู่ที่ไหนแล้วภิกษุก็เห็นที่อยู่ก็คือเหมือนกับเป็นกุฏิแล้วนะสมัยนั้นเขาก็เจิว่าวิหารวิหารก็คือที่อยู่นี่แหละปรากฏว่าวิหารของพระุทาในกุฏิที่อยู่นั้นประตูปิดเแล้วประตูปิดเแล้ว น่ก็เลยแนะนําประชจ้าปเปชานิโศลน ว, ว่าอา้าวให้ไปหน้าประตูนะไปเบาๆแล้วก็กระแอมขึ้น <c oughs> แต่พระเจ้าถ้าอยู่ทราบอยากจะให้พบก็จะเปิดประตูให้ว่าอย่างนั้นเด่นก็เลยเดินทางไปพบล่ะเดินไปด้วยตาของตัวเองแต่ทีนี้จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติของประเจ้าเปชานิโกศนนะ ว, ว่าการจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเนีน่ยก็ควรจะเอาอิสริยยศอะไรของตัวเองเนี่ยออกซะก่อนแต่ในตอนนั้นก็จึงถอดมงกุฎออก นั่คือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกรอบหน้าเป็นมงกุฎนะเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุลปันของพระราชาเนี่ยมีมงกุฎมีพระแสงขันก็คือดาบและมีรองเท้าที่เป็นงอนๆขึ้นมามีพัดด้วยแต่เครื่องอลังการะอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยที่เป็นเครื่องประดับของพระราชาเนี่ยเป็นอิสริยศเป็นเกียรติยศพวกนี้ก็ถอดออกเพื่อที่จะเข้าไปพบพระบรมชาในฐานะขอคนที่ฟังธรรมคนหนึ่ง นี่นไม่ได้มีอิสระยตอะไรโมนี้แบกไปด้วยแต่ก็จิตใจมีความคิดอย่างนั้นเราก็จึงถอดเรื่องราชกุฎาพันธ์ทั้งหมดแต่ที่เป็นบริการของพระราชานะให้ฝากไว้ให้นะให้กับทีฆาตกระยะนะเสนาบดีตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันพลาดตรงนี้แต่คือจะว่าพลาดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระเจ้าเป็นเสด็จนิโกรสนนั่นก็ทําอย่างนี้มาตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้ด้า น, นกลับมีปัญหาปัญหาอะไรเด็กข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ฟัง พระเจ้าปิจิณณีโกศลก็ไปพบพระพรุทธเจ้าไปถึงปุ๊บหน้าประตูก็กระแอมขึ้นเอแล้วก็เคาะประตูเบาๆพระเจ้าก็ เ, เ, เปิดประตูให้พอประตูแงเปิดเท่านั้นแล้วก็หมอบเข้าไปแล้วก็ไปจับเท้าของพระพเจ้านวดกราบมับๆๆลงแล้วบอกว่าโอ๊ยข้าพเจ้านี่แหละพระเจ้าปิจิณณีโกศลนัล่นคือตอนที่ไปจับเท้านี่ก็คงจะไม่เห็นหน้าหรือว่าใครก็เลย ประกาศชื่อของตัวเองขึ้นนามว่าชื่อพระเจ้าเปรสเชนิโกชนพระเจ้าก็ถามโอ้มาฮาวิททำถึงขนาดนี้ทำไมถึงทำการครบนอบน้อมการบูชาขนาดนี้นั่นคือการลักษณะที่นอบน้อมจับเท้าพระเจ้ า, านวดเท้าให้นั่งกราบลงมั่วเนี่ยเป็นการแสดงความนอบน้อมแต่ความนอบน้อมอย่างมากเลยที่พระเจ้าเปรสเชนิโกชน ท, ทำในที่นั้นเนี่ยเพราะอะไรพระเจ้าก็ถามแามพระถามนี้ พ ร, ระรจ้าเปรตนิโคสนก็ร่ายยาวเลยคำฟังอันนี้จึงเป็นเนื้อหาหลักๆสำคัญกอนในพระสูตรนี้ที่ว่าพ ร, ระเจ้าเปรตนิโกโสลเนี่ยเคารพนอบน้อมในพะระพุทรเจ้าเคารพนอบน้อมพระธรรม เ, เพราะอะไรแตนะ่ตรงนี้จึงเป็นธรรมเจติยสูตรในการที่เราระลึกถึงพระธรรมเพราะอะไรนะสี่ข้อแรกเป็นการบารมีเพราะว่าเห็นสาวกในธรรมะในนี้แต่นะว่าสาวกในธรรมะในนี้เนี่ยเขาบวชกันตลอดชีวิต คนอื่นบวชกันป๊อบปแป๊บแ ป, ป, ป, ป๊ี่สปีส0ปีส0ปีห้บปีบ้างก็สึกออกมาสึกออกมาบุตรพ่อกามอย่างที่คารวะเขาตามกันแต่ว่าสาวกในธรรมะในนี้บวชกันจนตายอ่ะตายคาบ้านเหลืองอ่ะเห็นอยู่อย่างนี้ก็จึงเลื่อมใสมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจว่าโอ้โหพระผู้มีพระภาคนี่เป็นสัมมาสัมพุธทธเจ้าแน่มีความเลื่อมใสมีความมั่นใจว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมแนแ่สวากขาตธรรมก็คือ สิ่งที่พระพุทธมีพระภากประกาศไว้ดีแล้วแต่มีความมั่นใจมีความแน่ใจว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆนั่นก็คือว่าสงสาวกของพระพุทธมีพระพากเป็นสุปฏิปันนั่นเองนั่นก็คือพระพุทธประทานประสงค์มีความมั่นใจมีความแน่ใจเนื่อเพราะว่าข้อต่างๆเหล่านี้นั่นก็แรกสีข้อแรกเรื่องของสาวกว่าสาวกนั้นพระพฤติประมัญจันตลอดชีวิตข้อที่สอนนั้นก็เพราได้เห็นสาวกนั้น มีความพร้อมเพลียนกันไม่ทะลอวิวาทกันแล้ว้อที่3เพราะว่าเห็นสาวกเนี่ยมีอินทรีย์ผ่องใสมีวันน่างามนนเนื่องจากว่าคงจะรู้คุณวิเศษไดใดสักอย่างได้อย่างหนึ่งในตรรมะวันนี้นะคือคนที่นั่งสมาธิเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเนี่ยผิวพัรร์ก็จะผ่องใสอันนี้เกิดขึ้นได้แล้ว้อที่4ก็มีความเงียบเสียงนะครับอธิบายของพระเชาฐภิเษกนิโก้สนนั้นก็คมชัดลึกนะั้นทวังมีการเปรียบเทียบ ถึงขนาดที่ตัวเองว่าคดีความมีเสียงคนอื่นขึ้นกลบเสียงตัวเองบ้างแต่ว่าในขณะที่พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยภิกษุจะไม่ทําเสียงขึ้นกลบเลยแม้แต่คนไอขึ้นเนี่ยก็ยังจะถูกเพื่อนเตือนแต่ส่วนอีกสข้อถัดมานีก็เป็นลักษณะที่พระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมแก่เรากษัตริย์พราหมณ์เครื่องบดีสมณักอื่นๆ ใ, นให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงแล้วก็บวชแต่ามาในข้อที่9กนี่ยก็บูถึงความที่ลูกน้องของตัวเอง เดีลูกน้องของตัวก็มีพวกช่างไม้ที่เขาทําการงานรต่างให้ก็แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าแต่มากกว่าแสดงความเคารพตัวเองอีกด้วยซ้ําเห็นอย่างนี้ก็คงคิดว่าช่างไม้สองคนนี้จะได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งถธอก็จะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าและนอกจากนี้ก็ยังมีอายุเท่ากันมีเป็นชนชั้นกษัตริย์เหมือนกันแล้วก็เป็นชาวกโกรศนเหมือนกันแต่ประเนสข้อถัดมานี่ก็ประรอบรพระพุทธเจ้า เราเห็นว่าสีข้อแรกกับปรารบประสงค์แต่สีข้อถัดมากับปรารบเรื่องของพระธรรมใ น, นการแสดงธรรมะและสีข้อถัดมานี่ก็มันจะมีอ่รูปกันอยู่นิดนึงตรงนี้ก็คือปรารบเรื่องรพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ระลึกถึงพระเจ้าอย่างนี้ตรงนี้จึงเป็นเจดีแต่พระเจ้าจึงบอกว่าตรงนี้เป็นธรรมะเจตยสุตรแต่พอพูดอย่างนี้แล้ ว, พ ร, วพระเจ้าเผยแผ่นนิโคโสนก็กลับตรงนั้นแหละเป็นจุดจบของพร ะ, พระเจ้าเผยแผ่นิโคโสนกลับไปตรงนั้นปรากฏว่าพวกกองทหาร บวนมากบวนช้างอะไรที่เสด็จมากหรือกรทึกๆๆโครมเนี่ยหายไปหมดแล้วเอาไปไหนก็ปรากฏว่าทีฆาการยานะเสนาบดีเนี่ยชิงราชบัลลังก์จำบั ง, บงแล้วเอาเรื่องราชกุัศลทั้งหมดเนี่ยให้วิทูตภะซึ่งเป็นลูกของพร ะ, ระเจ้าเสรตนิโคชนนี่แหละขึ้นกรองราชแทนเอา้าทําไมทํากันถนึงขนาดนั้นก็เพราะว่าทีฆาการยานะเสนาบดีเนี่ยมีความผูกอาฆาตในพระเจ้าเปรต น, นิโคชน อ้าวแล้วพร ะ, พระเจ้าปิยเสนาธิคุณสนไม่รู้เหรอทาไมถึงแต่งตั้งขึ้นมาก็อาจจะทราบก็ได้แต่ปลูกอคาดเรื่องอะไรกันก็เแปลว่าลูงของตัวเองในที่เป็นเสนาบดีคนก่อนเนี่ยคนคนก่อนเนี่ยที่ชื่อว่าพันธุละแต่เสนาบดีพันธุระนั้นมีความสามารถมากเป็นเพื่อนกันกันกบพ ร, พระเจ้าปิยเสนาธิกณุณสนและไปเรียนวิชาด้วยกันพันธุระเสนาบดีเป็นผู้ที่มีกําลังมีความสามารถในการสู้รบและมีความสามารถในการใช้ลูกศร สามาปราบปรามพวกโจรขบวแรงต่างได้คือไม่มีใครที่จะมาต่อกรใช้วิชาบู้บุญสู้กับพันธุลเสนาบดีหรืซึ่งเป็นลุงของตัวเองเนี่ยได้เลยในท้ายพันธุลเศรษาบดีนั้นก็ตายในด้วยปมปัญหาเรื่องการเมืองแต่มีคนใส่ร้ายยุ ย, ยงพระเจ้าเปเสนที่โกศลก็เลยจัดการให้ฆ่าซะแต่สั่งฆ่าซะแต่ตัวเองแต่คือหมายถึงที่ข้ากริยาณนะซึ่งเป็นหลานของพันธุลเนี่ย มีการผู้ฆ่าตรงนี้อ่าทำไมลุงเราไม่มีความผิดทำไมให้มาตายเอ่าพราะเจ้าพิเศษในโสศนไม่ทราบหรอกว่าเขาจะมีความอาฆาตในตัวเองแต่ก็อาจจะทราบอยู่หรือไม่ทราบอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แต่งตั้งกา ร, รย น, นะเสนาบดีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกผิดในตัวเองคต่ขึออ้นนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยนะว่าเออเราทำไม่ดีกับพันธุละเอาไวา้เอางนี้ให้หลานมารับตำแหน่งเสนาบดีก็แล้วกันสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มา ทำให้ตัวเองจบชีวิตลงแตหมายถึงพระเจ้าปเสนิโกศลก็จบชีวิตลงเพราะว่าที่ข้ากรณนะีักเอาเครื่องราชกุธพันทั้งหมดเนี่ยมาให้วิทูตนภะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าปเสนิโกศลนะขึ้นกรองราชแทนในะตอนที่รับเครื่องต่างๆไปนะัคือตอนนั้นพระเจ้าปเสนิโกศลไปหาพระเจ้าใช่ไหมถอดเครื่องทรงเครื่องอะไรต่างๆออกให้หมดที่ข้ากรณีนั้นก็ไปเลยแล้วนะโดยทิ้งมาไว้ให้ตัวหนึ่งแล้วก็นางสนมไว้ให้คนหนึ่งสั่งบอกนางสนมบอกว่า อยากกลับมานะถ้ายัางอยากมีชีวิตอยู่นะ80ล้านคนนะธรรฟังแตนะนะ่ทํำไงในที่นี้ออกมาไม่เจอเขาแล้วเจอม้าตัวเดียวกับผู้หญิงรับใช่ยอยู่คนหนึ่งจะกลับไปเมืองก็ไม่ได้ละเขายึดราชสมบัติไปหมดแล้วนะก็เลยไปเมืองราชเกฤตทํารฟังเดินทางด้วยม้านั่นแหละไปกัะนังสนมนั่นแหละนไปเมืองราชเกฤตระหว่างทางไปก็กันดาร น, นะทําฟังนะไม่ได้มีลูกน้องลูกนั่งอะไรไปเตรียมการไว้ก่อนแล้วนปะรากฏว่าไปถึงเมืองราชกลืเนี่ย ไม่ทันการเขาปิดประตูซะก่อนระหว่างทางก็ไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีน้ํานะที่จะดื่มจะกินได้เหมือนอย่างพระราชากินระหว่างทางก็ไม่ได้มีสเสบียงแล้วก็มีข้าวใบเกลียนข้าวใบเกลียนก็คือพวกข้าวหักหักรําข้าวอะไรพวกนี้กินกันมันก็ไม่ถูกธาตุแล้วนะท่านฟังอายุ80ดบด้วยกินอาหารไม่ถูกธาตุกินน้ํากุ่นคุนด้วยเดินทางก็เหนื่อยต้องไกลแล้วก็ยังรู้สึกถูกหักหลังด้วย เนื่องจากที่คาตกระยาแนเสนาบดีลูกทําไมขึ้นกลองร่านแทนอะไรต่างๆเหล่านี้รวมกันเนะี่ยรวมกันนะไปถึงเมืองก็ปิดประตูเสร็แล้วก็เลยต้องนอนที่สารานอกเมืองแต่สมัยก่อนเข้าไปในเมืองหลังเวลาที่ประตูปิดแล้วไม่ได้เลยเพราะว่าเขาต้องป้องกันเมืองของเขากันอาจจะเป็นไส้ซึกอาจจะเป็นอาวนุษย์แรงต่างเขาก็ต้องคอยป้องกันทีนี้ว่าตัวเองเข้าเมืองไม่ได้ทํายังไงล่ะจะไปขอความช่วยเหลือจากประชจ้าอาชาติศัตรูซึ่งอยู่ที่เมืองราชกลึ แต่พระเจ้าอาชาสตรูนี่ก็มีศักเป็นหลานของตัวเองนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือลตรงนั้นแต่ก็เข้าเมืองไม่ได้ทํายังไงก็นอนพักอยู่ด้านนอกเมืองอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งแต่ด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางท่านฟังกินอาหารก็ไม่ถูกธาตุการเดินทางก็เหนื่อยมาทั้งวันเสียใจด้วยจากที่ถูกหักหลังแล้นอนไปตรงนั้นเนี่ยแล้วก็สวรรคตในาทีนั้นแต่คือคือนอนไปแล้วก็ไม่ลุกเลยล่ะนอนไปแล้วก็ขอกไปเลย นอนไปแล้วก็ตายเลยตรงนั้นแตนะ่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดจบของพระเจ้าปเสนิโกศลน่นะมันก็เป็นเรื่องกรรมด้วยนะแต่เราพิจารณาดูตรงนี้จะเห็นว่าคิดว่าพระเจ้าปเสนิโกศลก็คงจะไปดีอยู่แตนะ่คือไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งลนะ่ะเพราะว่าตัวเองก็ปรารถนาพุทธภูมิมาไว้ก็คือปรารถนาความที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแต่เลยไม่ได้บรรลุอริยบุคคลขั้นไหนไหนแต่ด้วยชื่ใจที่ระลึกถึงพระธรรม ในเนื้อหาของธรรมะเจติยสตศนี้ก็คิดว่าพระเจ้าพิเศษกุศลน่ะไปดีอยู่นั่นคือไปเป็นเทวดาต่ตางๆแต่เราเชื่อว่าแม้แต่พระราชาซึ่งตอนนั้นครองตําแหน่งความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนั่นคือยิ่งใหญ่กว่าเหาพระราชาทั่วไปแต่ก็มาจุดจบด้วยเรื่องของความโกรธเกลียดเคียดแค้นนี่แหละแต่ที่ผูกอาฆาตฟังมาตั้งแต่สมัยตอนที่ตัวเองทําอะไรไม่ดีไว้ในสมัยตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกรรม ก็คงจะนี้เรื่องของกรรมไม่พ้นแต่คนที่เข้าใจคําสอนของพุทธาทรรมวังเข้าใจเรื่องกรรมแล้วจะไม่ได้เห็นว่ากรรมนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรแต่คือยิ่งใหญ่อยู่แต่ว่าไม่กลัวกรรมเพราะว่าได้สร้างกรรมเดียวไว้ในอย่างที่พร ะ, พระเจ้าเป็นนิคุณสนดีก็ได้ทํามาชั่วก็ได้ทํามาแต่ตอนที่ดีที่สุดท้ายที่ได้ทํานั้นระบูถึงเรื่องของตรรมเจติยสูตรในระหว่างนั้นก็มีการอุปตาอุปธรรมพระรูชาอยู่หลายเรื่องได้ให้ทานที่ชื่อว่าไม่มีอะไรเปรียบ เนี่คืออาสา ท, ที่สถานก็ได้ให้เอาไว้เนีสร้างวิหารแรืต่างก็ร่วมกันกับเขาเน่มีหมดหลายอย่างพระเจ้าเนี่ยได้รับรองคําตรงนี้ที่พระเจ้าเปรสันทิโกชลได้พูดเอาไว้ในเกี่ยวกับการที่ยกย่องพระพุทธพระธรรมประสงค์ในใภิกษทุทั้งหลายได้เล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติและเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่จะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แต่ใครยังไม่ได้ฟังพระสวดนี้ก็ลองไปฟังดูแต่ในบวชสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้โดยไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com e ูรีดเฮ m เอ็มหรือว่าถ้ามีคำถามข้อสงสัยใดๆก็ส่งไ้ที่นั่นได้ถ้าใครสะดวกทางสุดหมายหรือว่าปริศนีบัตรก็ส่งมาหาข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนหลายโศกเลขที่1หมู่8ตบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสปริณี c 1่ห0ึ่งนึ่งน์เจริญพร